แนะนำบทกอฟบทนี้เป็นบทมักกิยะมี45องค์การที่พูดถึงปัญหาต่างๆเกี่ยวกับหลักการศรัทธาในอิสลามในขอบเขตจำกัดที่สำคัญๆเช่นความเป็นเดชภาพสารการฟื้นคืนชีพบทนี้ได้เริ่มด้วยปัญหาหลักที่พวกปฏิเสธชาวกุเรสชได้ปฏเิเสธบทนี้ได้กล่าวเตือนชาวกุเรสชที่ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพให้หันมาพิจารณาถึงเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของอลัลลอฮ์ ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นภาพลักษ์ได้จากหมู่จั ก, กรวาลที่อยู่ต่อหน้าเราเช่นท้องฟ้าแผ่นดินน้ำพืชผักผลไม้ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันอันชัดแจ้งถึงเดชารุภาพอันสูงส่งและยิ่งใหญ่ของพระองค์บทนี้ได้เปลี่ยนไปสนทนาถึงเรื่องราวของพวกปฏิเสธศรัทธาของประชาชาติต่างๆในอดีตและสิ่งที่ได้ประสบกับพวกเขามาแล้วเป็นต้นว่าความหายณนะ และการลงโทษนานาชนิดทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรือนพวกปฏิเสธชาวมักกะว่าจะต้องประสบกับเคราะหกรรมดังกล่าวเช่นเดียวกับที่ชนรุ่นก่อนๆได้ประสบมาแล้วบทนี้ได้เปลี่ยนมาสนทนาถึงเรื่องอาการใกล้จะตายความน่าหวาดกลัวแห่งการชุมนุมและสภาพที่ทำให้สยองขวัญขณะที่มีการคิดบัญชีตลอดจนสิ่งที่คนชั่วจะพบในวันนั้นวันที่เคร่งเครียดเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและรุนแรง จะจบลงด้วยคนชั่วจะถูกโยนสู่ขุมนรกบทนี้จบลงด้วยการกล่าวถึงเสียงเป่าสังซึ่งเป็นเสียงที่ทำให้มนุษย์ออกจากหลุมฝังศพเปรียบเสมือนตักแตนที่บินว่อนแล้วจะถูกนำไปสู่การสอบสวนและการตอบแทนซึ่งไม่มีผู้ใดจะรอดพ้นไปจากอลัลลอฮ์ได้เลยในการนี้เป็นการยืนยันอย่างชัดแจ้งถึงการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมในวันกียามา ซึ่งพวกบูชาจเว็ตได้ปฏิเสธในเรื่องนี้บด้วยพระนามของอ ah, ัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอกอฟขอสาบานด้วยอัลกุรอานอันทรงเกียรติบ แต่ว่าพวกเขาประหลาดใจที่มีผู้ตักเตือนคนหนึ่งจากหมู่พวกเขาได้มาอย่างพวกเขาดังนั้นพวกปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่านี่มันเป็นเรื่องประหลาดจริงๆ เมื่อเราตายและกลายเป็นดินไปแล้วจะกลับมีชีวิตอีกกระนั้นหรือนั่นเป็นการกลับที่ไกลเหลือเกินแน่นอนเรารู้ดีว่ากี่มากน้อยแล้วที่แผ่นดินทำให้พวกเขามีจำนวนลดน้อยลงและณนะที่เรานั้นมีบันทึกถูกเก็บรักษาไว้ แต่ถ้าว่าพวกเขาปฏิเสธความจริงต่างหาเมื่อมันได้มีมาอย่างพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ในสภาพที่สับสน พวกเขาไม่ได้มองไปยังฟากฟ้านเหนือพวกเขาดอกหรือว่าเราได้สร้างมันและประดับมันไว้อย่างไรและมันไม่มีรอยร้าวหรือช่องโ ห, หว่เลย และแผดินนั้นเราได้แผ่ให้มันกว้างออกไปและในแผดินนั้นเราได้ปักภูเขาไว้อย่างมั่นคงและในแผ่นดินนั้นเราได้พืชสัจจชาติทุกชนิดงอกเงยออกมาเป็นคู่คู่อย่างสวยง า, าม เพื่อให้เป็นที่สังเกตและเป็นข้อเตือนให้ระลึกแก่บาวทุกคนที่สำนึกผิดและเราได้น้ำฝนหลั่งลงมาจากฟากฟ้าเป็นความจำเริญแก่มนุษย์ แล้วเราได้งอกเงยออกมาด้วยน้ำฝนนั้นเป็นสวนอันหลากหลายและเป็นมเมล็ดพืชสำหรับเก็บเกี่ยวและต้นอินทผ ล, ลามที่สูงตรังงานลำต้นของมันมีพวงย้อยลงมามีผลซ้อนกันเป็นตับ ي ي เพื่อเป็นปัจจัยยังชีพแก่ปวงเบาและด้วยน้ำนั้นเราได้ทำให้ดินแดนที่แห้งแล้งมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่เช่นนั้นแหละการฟื้นคืนชีพกลุ่มชนของนัว ได้ปฏิเสธมา ก, ก่อนหน้าพวกเขาแล้วและชาวรอสกลุ่มชนของดาีชวายและสมุาาดและอาดและฟิร์อาวและพี่น้องของลู ต, ลต ع, ลและชาวป่าทึบและกลุ่มชนของ ตุ บ, บะพวกเหล่านั้นทั้งหมดได้ปฏิเสธบรรดาศาสนาทูตเดนั้นสัญญาลงโทษของเราจึงเหมาะสมคู่ควรแก่พวกเขาเราได้เหน็ดเหนื่อยในการสร้างครั้งแรกกระนั้นหรือเปล่าเลย แต่ว่าพวกเขาอยู่ในการสงสัยต่อการสร้างครั้งใหม่ตั้งหาและความจริงเราได้บังเกิดมนุษย์มาและเรารู้ดียิ่งถึงจิตใจที่กระซิบกระซาบแก่เขาและเรานั้นใกล้ชิดเขายิ่งกว่าเส้นเลือดสู่วัวใจของเขาสิ จงรำลึกขณะที่มาไลากาผู้บันทึกสองท่านบันทึกท่านหนึ่งนั่งทางด้านขวาอีกท่านหนึ่งนั่งทางด้านซ้ายไม่มีคำพูดใดที่เขากล่าวออกมาเว้นแต่ใกล้เขานั้นมีมาลัก ผู้เฝ้าติดตามผู้เตรียมพร้อมที่จะบันทึกและอาการมึนงงแห่งความตายได้ปรากฏขึ้นอย่างประจักแจ้และนั่นคือสิ่งที่เจ้าจะหลีกเลี่ยงจากมันไปไม่ได้และสังจะถูกเป่าขึ้น นั่นคือวันแห่งสัญญาการลงโทษและทุกๆชีวิตจะมาพร้อมกับเขาคือมะลักผู้นำทางและมะลักผู้เป็นพยาธิ ดโดยแน่นอนเจ้าไม่สนใจต่อเรื่องนี้ดังนั้นจึงเปิดสิ่งที่ปกคลุมเจ้าอยู่ให้ออกไปจากเจ้าวันนี้สายตาของเจ้าจึงเฉียบขาดมาลักษภูมอบหมายกล่าวว่านี่คือสิ่งที่เตรียมไว้อยู่ ่ารวแล้เจ้าทั้งสองจงโยนทุกคนที่ปฏิเสธศรัทธาและดื้อรั้นลงในนรกยา น, นาลลยมมผู้ขัดขวางการทำดีผู้ฝ่าฝืนผู้สงสัย إ آ ซึ่งเป็นผู้ตั้งพระเจ้าอื่นผู้เคียงกับอัลลอฮดานั้นเจ้าจงโยนเขาสู่การลงโทษอันดุนแรงเถิด สหายของเขาคือไชตอนกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราฉันไม่ได้ทําให้เขาหลงผิดแต่ทว่าเขาได้อยู่ในการหลงผิดอันไกลลิบมาก่อนแล้วพระงตรัสว่าพวกเจ้าอย่าได้มาโต้เถียงต่อหน้าข้าเลยความจริงข้าได้เตือนพวกเจ้ามาก่อนหน้านี้แล้ว ل ل พระดำรัสของข้าจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงและข้าไม่ได้เป็นผู้อายุติธรรมต่อปวงเบาเลยมมวันที่เราจะกล่าวแก่นรกยานนําว่าเจ้าเต็มแล้วหรือ และมันจะกล่าวว่ายังมีเพิ่มอีกไหมและสวนสวรรค์จะถูกนำมาให้ใกล้แก่บรรดาผู้ยำเกรงซึ่งมันไม่ได้อยู่ไกลเลยนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าได้ถูกสัญญาไว้ทุกคนที่สำนึกผิดเป็นผู้รักษาบัญญัติของอัลลอ ผู้ใดเกรงกลัวพระผู้ทรงกรุณาโดยทางลับและมหาโร่งด้วยจิตใจที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตั ว, วเู้าจงเข้าไปในสวนสวรรค์ด้วยความสันตินั่นคือวันแห่งการพำนักอยู่ตลอดกาลม สําหรับพวกเขาจะได้รับสิ่งที่พวกเขาพึ่งประสงค์ในสวนสวรรค์ลและหน้าที่เรานั้นยังมีอีกมากมาวะคำ أه ลักน้า قبلهم มินกานิน هم أش ดมิน هم بطشاء ن ن เราได้ทำลายผู้คนไปกี่มากน้อยก่อนหน้าพวกเขาทาั้งท้งที่พวกเขามีสมรรถภาพเหนือกว่าพวกเขาและพวกเขาได้ออกเดินทางไปตามเมืองต่างๆ กเขามีทางนีรอาจริง ใ, ในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นข้อตักเตือนแก่ผู้มีหัวใจหรือรับฟังโดยที่เขามีความตั้งใจจริง และความจริงเราได้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองในเวลาหกวันและไม่มีความเด็ดเหนื่อยใดมาสัมผัสเราดังนั้นเจ้าจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธกล่าวถึงและจงแท่ซองด้วยการสรรเสริญ พระผู้อภิบาลของเจ้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นและก่อนดวงอาทิตย์ตกและระหว่างกลางคืนก็จงสะดุดีโปรง่งด้วยและหลังเวลาสุยุและเจ้าจงฟังวันที่ผู้เรียกร้องจะร้องเรียกจากสถานที่อันใกล้ วันที่พวกเขาจะได้ยินเสียงเป่าสังจริงๆนั่นคือวันแห่งการฟื้นคืนชีพถ้าจริงเรานั้นเป็นผู้ให้มีชีวิตและเป็นผู้ให้ตายและยังเราคือการกลับไป วันที่แั่นดินจะแยกออกจากพวกเขาและพวกเขาจะออกมาอย่างเร่งรีบนั่นคือการชุมนุมที่ง่ายด้แกเรา เรารู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเขากล่าวและเจ้านั้นไม่ได้มีอำนาจเหนือพวกเขาดังนั้นเจ้าจงตักเตือนด้วยอัลกุรอานนี้แกผู้ ก, กลัวต่อสัญญาณการลงโทษของข้าเถิด